ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัติอตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นปุต ธ, ธรรมที่ซึ้งมากเข้ากานันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุม่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์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 กลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคั ก, กินนาโทศักกินนามหกกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจ ท, ทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัด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 บุกเบิกอุปสรรคเรื่องกิจ ข, ขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สัมพันธ์สำคัญที่ความรักคนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจจึงต้องในสาะแสวงหาบุกบันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับ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 หวังความชนะหวังความประสริแต่ตนเองอยาถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระยิ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียร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 หรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดและออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉล า, าดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโงม่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมา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 ไม่คิดเห็นเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภยัยสำคัญอยู่ภ า, ายจในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายาม จะเป็นการเดินจงกรมก็ก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาใ น, รรนทำแงใดบวกใดซึ่งร้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของกิจเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันเป็นสมมติ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 ยิ่งไปกว่างงานเพื่อการคาจัดกิเลกนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสาคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเหลาหรือตามความจาเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตะพรวนา ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทาความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทางานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่ากิจตภาวนาแต่ละแงน่ละกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แลเป็นงานที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับส ม, มณะคำว่าส ม, มณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใยของของกิจเป็นงานเพื่อชำระสะส า, สารสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกกรปรกรบกุมรังอยู่ภายในใจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับ จิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากขามเพียนอันเป็นงานสาคัญซึ่งเราทําอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสาคัญประจําตนทุกอิริยาบกงานเหล่านี้เป็นงานสาคัญยิ่งกว่างานอื่นใด มีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่ยงกว่างานนี้สำหรับรมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญ นับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั่นสั่งนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติ แล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติกิตกรรภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานกิจกรรภาวนา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 และยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้านแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถือ ง, งานเหล่านี้เป็นงานสําคัญญาได้ลดละปล่อยวางเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยิน หมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมานและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความข็งเข้ ม, ขมแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบทเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่งใยในหมู่คณะ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 ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเน็กเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มท ต, มติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้อววาทปกคมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือเป็นคถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวคำว่ากิเลสนีเป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่ คอยอยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอาการปิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุด ห, หาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลย คือเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นมีเท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่วมจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้่เรือที่มีความหนาแน่น ภายในใจของเหล่านั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัจมีทาบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้ามาใจเรือใหญ่ที่เป็นเรือ เดินสมุดจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในถ้ากลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้าหมาสมุดครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในถ้ากลางมหา สมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจรึงควรสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาค พ, พื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนุ่งเหมือนกันหายใจไ ด, ได้ได้มีความสงบ เหมือนกับเดือเราทอดสมองไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลส จ, จะยังไม่ชิบหายตายไปสักครูเดียวกิเดก็สงบ ก, ก็เหมือนกับคลื่นทะเลสง ไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของจิเลส ปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่หละถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเหล่านี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้หลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกยินแดงจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไร นีปัตติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆ ท, ที่ตาเนื้อเห็นอยู่ ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นอีกนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยจริงต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเฉยมีไหมในสกุลนานี้ ตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่มสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าประจูภายนมันเต็มไปด้วยของให้สะอาดปฏิคูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจริงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วแม้กําแพงเจ็ดชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากําแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลย ท่ามเราจรึงมองไม่ทะลุแพงไม่ทะลุฟันไม่ขาดอีไม่แตกเป็นไปเลควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรลกเป็นที่พินิษพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณ า, าเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจไข่รู้ไข่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้น จึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างใดนี่ควรจะตั้งเป็นมัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซากๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไ ต, ต่สวนโตวาทีกันที่ขันภระสพานเอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไร นี่ถ้าแยกไปในขแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจับตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นตัวแปลงกิเยสมันปิดกัน้นไว้ไม่เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมค้องหมัดมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงาม น, น่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่ง ร้อมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปู่มเท่านั้นไม่มีทางชมเชดเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของป้อมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภา ห, หนึ่งเหมือนกันอันนี้นีบเป็นปัญหาอันใดโตอันน่ถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาต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 คนตาอืเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นลิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละปายใน ง, งานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคือเป็นอย่างไรถ้าคืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่ผืนปรารถนาคือความปฏิจุบัเหล่านั้น แล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอาปฏิกูลตัวอสุภาอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทําลายทําไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจริงไม่เปื่อยไม่เน่าจริงไม่สีายไม่ทําลายยิ่งมันจริงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรแต่เราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธิจ้าวจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่น ทำให้ปล่อยให้กิเลสชุดนาคไปลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งอย่างนี้อยู่โดยความมากเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดธรรมบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรม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 ไม่มากก่็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสถกขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทําเหล่อแหลกหล่อแหละเลี้ยวไหลวันไหนก็เลี้ยวไหลไหลเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเล้วไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข่อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหาประโยชนี้เทนั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี เลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของจิเลสมันถูดล้างไปทำแชกคือความจริงนั่นอ่ะแชกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จุดปรากฏอ๋ออาลัยท่านเปันญา